ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่งเรื่องนายกาละบุตรของอนาถวินดิกเศรษฐีข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพบุตรของท่านอนาถปิฎิกะชื่อว่ากาละตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าปธาบยาเอกรเจนะเป็นต้น ตอนบิดาจ้างบุตรให้ฟังธรรมได้ยินว่านายกาละนั้นเป็นบุตรเศรษฐีพูถึงพร้อมแล้วด้วยศรัท ธ, ธาเช่นนั้นก็ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำนักของพระศาสดาเลยไม่ปรารถนาจะเห็นในเวลาพระศาสดาเสด็จมาสู่เรือนไม่ปรารถนาจะฟังธรรมไม่ปรารถนาจะทำการขวนขวายแก่สง แม้ถูกบิดาพูดว่าเจ้าอย่าทำอย่างนี้พ่อก็ไม่ฟังคำของท่านลำดับนั้นบิดาของเขาคิดว่าเจ้ากาละนี้เมื่อมีทิฐิเห็นปานนี้เที่ยวไปจะเป็นผู้มีอเวจีเป็นที่ไปในเบื้องหน้าก็เมื่อเรายังเห็นอยู่บุตรของเราพึ่งไปสู่นรกข้อนั้นไม่สมควรแก่เราเลย ก็ยึ้นชื่อว่าสัตว์ผู้ไม่เพ่งเลงเพราะการให้ทรัพย์ไม่มีในโลกนี้เลยเราจะทำลายทิฏฐิของบุตรนั้นด้วยทรัพย์ลำดับนั้นเศรษฐีพูดกับนายกาละนั้นว่าพ่อเจ้าจงเป็นผู้รักษาอุโบสถไปสู่วิหารฟังธรรมแล้วมาเถิดเราจากให้กระหาปณนักหนึ่งร้อยแก่เจ้า กาละจักให้หรือพ่อเศรษฐีจักให้ลูกนายกาล้านั้นรับปฏิญญาสามครั้งแล้วเป็นผู้รักษาอุโบสถได้ไปสู่วิหารแล้วแต่กิจด้วยการฟังธรรมของเขาไม่มีเขานอนในที่ตามความสำราญแล้วได้ไปบ้านแต่เช้าตรู่ ลำดับนั้นบิดาของเขาพูดว่าบุตรของเราได้เป็นผู้รักษาอุโบสถท่านทั้งหลายจงนำข้าวต้มเป็นต้นมาแก่เขาเร็วดังนี้แล้วก็สั่งคนใช้ให้ให้นายกาละนั้นห้ามอาหารเสียโดยพูดว่าเรายังไม่ได้รับกระห하นะจากไม่บริโภคลำดับนั้น บิดาของเขาเมื่ออดทนการรบกวนไม่ได้จึงให้ห่อกหาปณะแล้วนายกาลนั้นต่อรับกหาพณะนั้นไว้ด้วยมือแล้วจึงบริโภคอาหารต่อมาในวันรุ่งขึ้นเศรษฐีส่งเขาไปโดยพูดว่าพ่อเราจะให้กหาปณะพันหนึ่งแก่เจ้าเจ้ายืนตรงพระพักของพระศาสดา เรียนเอาบทแห่งธรรมให้ได้บทหนึ่งแล้วพึงมาเขาไปวิหารยืนตรงพระพักของพระสัสดาได้เป็นผู้ใคร่จะเรียนเอาบทแห่งธรรมบทเดียวเท่านั้นแล้วหนีไปลำดับนั้นพระสัสดาได้ทรงทำอาการคือการกำหนดไม่ได้แก่เขาเขากำหนดบทนั้นไม่ได้แล้วจึงได้ยืนฟังแล้วเทียวโดวยคิดว่า เราจะเรียนบทต่อไปในว่าชนทั้งหลายต่อฟังอยู่ด้วยคิดว่าเราจะเรียนให้ได้ชื่อว่าฟังโดยเคารพก็ธรรมดาเมื่อชนทั้งหลายฟังอยู่อย่างนี้ทำย่อมให้โสดาปฏิมักเป็นต้นถึงนายกาลานั้นก็ฟังอยู่ด้วยคิดว่าจะเรียนให้ได้แม้พระศาสดา ก็สรงทำอาการคือการกำหนดไม่ได้แก่เขาเขากำลังยืนฟังอยู่เทียวด้วยคิดว่าจะเรียนบทต่อไปจิงตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลตอนบรรลุโสดาปฏิผลแล้วไม่รับค่าจ้างในวันรุ่งขึ้นนายกาละนั้นเข้าไปสู่กรุงสาวัตถี พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเทียวมหาเศรษฐีพอเห็นเขาก็คิดว่าวันนี้เราชอบใจอาการของบุตรแม้นายกาละนั้นก็ได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าโอ้หนอวันนี้บิดาของเราไม่พึงให้กระหาปณ ะ, ะในที่ใกล้พระสัสดาพึงปกปิดความที่เราเป็นผู้รักษาอุโบสถ พราะเหตุแห่งกหาปะนะไว้แต่พระศัสดาได้ทรงทราบความที่นายกาละนั้นเป็นผู้รักษาอุโบสถเพราะเหตุแห่งกหาปะนะแล้วในวันวานมหาเศรษฐีให้ถวายข้าวต้มแก่ภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วจึงสั่งให้ให้แม้แก่บุตรนายกาละนั้นเป็นผู้นั่งนิ่งเทียวดื่มข้าวต้ม เขียวของควรเคี้ยวบริโภคพัดในเวลาเสร็จภัตกิจของพระสัสดามหาเศรษฐีให้บุคคลวางห่อกหาบปนะพันหนึ่งไว้ตรงหน้าบุตรแล้วพูดว่าพ่อพ่อพูดว่าจักให้กหาบปนะพันหนึ่งแก่เจ้าจึงให้เจ้าสมาทานอุโบสถส่งไปวิหารนี้กหาบปนะพันหนึ่งของเจ้า นายกาละนั้นเห็นกระหาปนะที่บิดาให้เฉพาะพระพักของพระสัสดาละอายอยู่จึงพูดว่าผมไม่ต้องการด้วยกระหาปนะทั้งหลายแม้ถูกบิดาพูดว่าจงรับเถิดพ่อก็ไม่รับแล้วตอนโสดาปฏิผลเลิศกว่าสมบัติทุกอย่างลำดับนั้น บิดาของเขาถวายบังคมพระศัสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ข้าพระองค์ชอบใจอาการของบุตรเมื่อพระศัสดาตรัสถามว่าอะไรมหาเศรษฐีจึงกราบทูลว่าในวันก่อนบุตรของข้าพระองค์นี้อันข้าพระองค์พูดว่าเราจกให้กะหาปะนะหนึ่งร้อยแก่เจ้าแล้ว ส่งไปวิหารในวันรุ่งขึ้นยังไม่ได้รับกหาปนะแล้วไม่ปรารถนาจะบริโภคแต่วันนี้เขาไม่ปรารถนากะหาปนะแม้ที่ข้าพระองค์ให้พระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นมหาเศรษฐีวันนี้โสดาปฏิผล น, นั่นแลของบุตรของท่านประเสริฐแม้กว่าสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิ แม้กว่าสมบัติในเทวโลกและพรหมโลกดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าปทาพยาเอกราเจนะสักกัสะกามเนนวาสัปบโลกาทิปัจเจนะโซตาปฏิพลังวรังโสดาปฏิผลประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดิน กว่าการไปสู่สวรรค์และกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบาทพระคาถาว่าปัธบายาเอกรัชเชนะคือกว่าความเป็นพระเจ้าจกักรพรรดิบาทพระคาถาว่าสังกส์กามเนนวาความว่ากว่า การถึงสวรรค์26ชั้นบาพระคาถาว่าสับบโลกาทิปจเจนะความว่ากว่าความเป็นใหญ่ในโลกมีประมาณเท่านั้นเท่านั้นคือในโลกทั้งปวงพร้อมด้วยนาคครุฑและเวมานิกระเปรตบาพระคาถาว่าโซตาปฏิพลังวรังความว่า เพราะพระราชาแม้เสวยราชสมบัติในที่มีประมาณเท่านั้นก็เป็นผู้ไม่พ้นจากนรกเป็นต้นได้เลยส่วนพระโสดาบันเป็นผู้มีประตูอบายอันปิดแล้วแม้มีกําลังเพลาวกว่าพระโสดาบันทั้งสิน้นก็ไม่เกิดในภพที่8ฉะนั้นโสดาปฏิผลนั่นแหลจึงประเสริฐคือสูงสุด ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องนายกาละบุตรของอนาถบินิกาเศรษฐีจบโลกวัคคาวรณน า, นาจบวัคที่สิบสามจบ